วันนี้นับว่าเป็นวันฉลองหดหูของญาติของหลวงตาปูไกชิดที่ท่านร่วงรับไปนะะก็ได้ทำพิธีมาตั้งแต่วันที่20จนถึงวันนี้ที่เป็นวันจะประชุมเพิงเมื่อกี้นี้ก็คณะทาย า, า, าติโยมได้กราบอาราธนาศีลก่อนที่จะรับศีล วันนี้คิดว่าหลวงพ่อคิดว่าจะมีคณะสัตายาญาติโยมจากจากตุรทิศจากเหนือจดใต้ที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ อ, อ่มากพอสมควรเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะได้อธิบายก่อนที่จะสมาทานศินควรจะรับรู้เรื่องของศินหรือว่าขุดค่าของศินประโยชน์ของศินให้กับคณะสัตธาญาติโยม ที่จะได้สมาทานศีลเพราะว่าเราไปนะสถานที่ต่างๆพวกเราเคยสังเกตเคยเห็นขณะหลวงพ่อเป็นพระทุกครั้งเมื่อคณะทายาติโยมอาราธนาศีลพระเถระที่เป็นองค์ที่จะเป็นองค์ประธานหรือว่าเป็นองค์จะแสดงธรรมหรือเป็นองค์ประธานในงานท่านก็ให้ศีลไปเลย ท่านไม่ได้อธิบายเรื่องศินเพราะฉะนั้นต่างคนต่างไม่อธิบายลูกหลานพวกพวกเราเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังก็คงไม่รู้คุณค่าของศินเพียงแต่ว่าพวกคนโบราณเขาถือมาอย่างไรลูกหลานก็รับไปจะไปวิญญาณมากก็ไม่ได้กลัวบาปก็เหตุไรเพราะว่าคนโบราณเขาบอกว่าจะไป สนใจอย่าไปวิจารณ์เรื่องของพระของศพ เ, เดี๋ยวเป็นบาปลูกหลานก็เลยกลัวบาปแต่ตามไม่จริงก็เป็นอย่างที่ตรงพ่อก็เลย ด, ดูแล้วรู้สึกว่าลูกหลานทั้งหลาย เ, เข้าใจเรื่องของศีลของพระพุทธเจ้าเนะี่ยผิดผิดถูกถูกว่ห่างเหินไปโดยปริยายเพราะเหตุใดพราะพระสงฆ์ไม่ได้อธิบายให้พระคณะตถาญาติโยมฟัง กับศีลใี้อยู่ห่างไกลกับพวกเราอย่างมากเป็นศีลจำบกสำหรับคนที่เข้าวัดหรือว่าคนที่สนใจในวัดวาศาสานาแต่ตามไม่จริงศีลคือวินยัยวินัยคือศีลกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองอยู่กับทุกคนถ้าหาว่าคนในชาติไทยของเราถ้าบัญญัติกฎหมายขึ้นมาแล้วคนในชาติก็ต้องเคารพกฎหมาย หรือว่าศีลก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าบัญญัติศีลขึ้นมาศีลห้าสำหรับฆราวาสพวกเราเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพุทธบริษัทสีของพระพุทธเจ้ า, า, ส, า, ส, า, ธธจาสำหรับฆราวาสรักษากฎระเบียบอย่างไรสัมมาเนรรักษากฎระเบียบอย่างไรพระภิกษุสงฆ์ รักษากฎระเบียบอย่างไรอันนี้ก็คือกฎระเบียบเหมือนกับกฎหมายทหารกฎระเบียบของทหารกฎระเบียบของพิพากษาอายการกฎระเบียบของครูบาอาจารย์มีกฎระเบียบแต่ถึงกฎระเบียบยังไงก็ตามกฎใหญ่ก็คืออันเดียวกันแต่ว่ากฎเล็กกฎย่อยแยกออกไปนี้ก็เหมือนกัน สำหรับคารวะญาติโยมพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเพียงรักษาศีลห้าก็เป็นศีลคุ้มของโลกจะทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นจุกได้ถ้าหากว่าคารวะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกามีเพียงศีลห้าตรนั้นเพียงพอเพราะนั้นท่านจึงบัญญัติศีลห้าอันดับแรกหลวงพ่อจะเป็นผู้พานําว่านามโมซะก่อนนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เพียงแค่นี้พวกเราคณะทายาทรวมลูกหลานที่ยังไม่เคยเข้ามาสู่วัดวาศาสนาก็คงจะไม่เข้าใจแล้วเอ๊ะทำไมจะรับศีลทำไมจึงว่าณโมน์โมนั้นแปลว่าอะไรเป็นภาษาบาลีอีกต่างหากไม่ใช่ภาษาที่เราเข้าใจได้ตามไม่จริงณโมตัดสะกปะคขวัโตวความแปลและความหมายว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ถึง3ครั้งข้าพ เ, เจ้าจะนอบน้อมพระพุทธเจ้าทำไมจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าเพราะว่าศีลห้าที่จะรักีเราจะสมาทานเนี่ยไม่ใช่ศีลของใครเป็นศีลของพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระพุทธองค์ว่าจะตั้งกฎกฎติกายังไงสำหรับครวาสญาติโยมกฎยังไงสาหรับพระสาหรับสมณเณร นี่แหละอันนี้ก็คือสําหรับกฎของคราวาตัตเพราะฉะนั้นพวกเราทระพุทธเจ้าได้บัญญัติสิ่งขึ้นมาคือศินห้าขึ้นมาแล้วพวกเราพิจารณาดูแล้วยอมรับพุทธบริษัททั้ง4ี่ยอมรับว่าศินห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์จริงเพราะฉะนั้นพวกเราจรึงได้กล่าวนอบนอบ้นอมพระพุทธเจ้าสักก่อนว่านะโมตัสสะนอบน้อมต้นศ า, านสานาต้นศาสนาต้นความคิด เรื่องสี่หานี้เพราะนั้นเราจึงนอกน้อมพระพุทธเจ้าก่อนจากนั้นกัพุทธังธรรมั ง, ส, ง, งสร้งคังสระนางคัดฉามิข้าพรเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระ อ, องค์เองจึงได้ประกาศพระธรรมคําสอนออกมาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีมาก 84% ดหมพันพระธรรมขันพวกเรายอมรับ ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ายึดพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งยึดพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งแล้วยึดพระสงฆ์พระสงฆ์คือสาวกของพระพุทธเจ้าที่นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่บอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายเข้าใจรับรู้รับทราบได้ก็ด้วยพระสงฆ์ถ้าไม่มีพระสงฆ์นําพระธรรมมาบอกกล่าว กพระธรรมพระพุทธกับพระธรรมก็คงจะหมดในยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วก็จบในยุคนั้นเมื่อพระสงค์นำธรรมคำสอนออกมาประกาศเผยแผ่พวกเราก็ยอมรับว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์มีคุณค่าจริงเพราะนั้นพวกเราจึงยึดพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มีพระคุณพระธรรมมีพระคุณพระสงค์มีพระคุณยึดเป็นชนะเป็นที่พึ่งของพวกเราพุทธังรำมังสังขังสารนังคตฉามิ ยืนยันเป็นครั้งที่สองอิวัตุดียำปิข้าไปเจ้าขอยึดพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งยึดอีกครั้งที่สามเตตาตียำปีพุทธหังทำหม่งสงังหัสาางสาธารณะคัดฉามิข้าไปเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งจากนั้นหลวงพ่อหรือว่าผู้นําพระสงฆ์จะได้กล่าวเป็นศินเป็นข้อข้อทีน ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิพวกข้าพรเจ้าทาั้งหลายจะงดเว้นในการฆ่าเพราะว่าการฆ่ากันเราไปฆ่าเขาเขามาฆ่าเราถ้าเราไปฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานวงศ์สกานาญาติของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรเขาเสียใจยอย่างมากถ้าเขามาฆ่าพี่น้องพ่อแม่ของเราเราก็เสียใจยอย่างมากเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้ามอง เป็นกลางมองเห็นคุณค่าว่าการเบียดเบียนซึ่งกันและกันหาความสงบสุขไม่ได้เพราะนั้นพระโอรพระพุทธองค์จึงบัญญัติสิลข้อที่หนึ่งอย่าฆ่ากันอย่าคิดฆ่ากันให้มีเมตตาต่อกันอย่าฆ่าอันนี้คือศี่งข้อที่หนึ่งข้อที่2องอธินาทานาเวรมณีการขโมยสิ่งของของคนอื่นเขาเราไปขโมยของเขาขโมยพ่อแม่พี่น้องของเขาไปเรียกฆ่าไถ่ขโมยสิ่งของคุณค่าของเขา ถ้าเขามาขโมยของเราเหมือนกับเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันเพราะต่างคนก็ต่างมีสิ่งที่พวกเรารักสังวนห่วงแขนด้วยกันเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์กันอย่าข้าโมยกันอันนี้คือสี่ข้อที่สองข้อที่สมกาเมศมิจฉยยาราวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครเขาก็รักสังวนห่วงแขนของเขา ต่างคนก็ต่างมีเพราะฉนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันถ้าเราไปล่วงล้ำเขาไม่เคารพสิทธิ์คนอื่นเขาไม่เคารพสามีภรรยาลูกหลานคนอื่นเขาเขาก็เสียใจยถ้าเขาไม่เคารพของเราเราก็เสียใจยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้รักษาสินให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันอันนี้คือสิธนข้อที่สข้อที่สมุสาวาทาเว ร, รมะนีอย่าไปโกโหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขา ถ้าเราไปก้มตโกงเขาต้มตุนเขาหลอกลวงเขาเขียนเช็คแดงให้เขาไอ้อย่างนี้เป็นต้นแล้วเมื่อเขามาทําให้กับเราเราเสียใจยไหมเราก็เสียใจยเช่นเดียวกันเพราะนั้นสินของพระพุทธเจ้าถ้าเรามาพิจารณาการตรวจสอบกานกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วสินของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไกลจากพวกเราเขาเราเขาเราถ้าเราต้องการความสุขคนอื่นเขาก็ต้องการความสุข เหมือนกับเราต้องการเพราะนั้นยาเบียดเบียนให้เคารพศีลซึ่งกันและกันอันนี้คือศีลของพวกพระไตรย์แต่ศีลข้อที่หเนี่ยพิเศษกว่าเพื่อนไปพอสมควรคือศีลข้อที่หสุราเมระยะมัชชะประมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อขาดจติตแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ ขโมยใครก็ได้ร่าราบระวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้ก็หกใครก็ได้เพราะขาดสติคนขาดสติคำนี้น่ากลัวเพราะลาไรเพราะไม่มีการยับยั้งไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านศีลห้าของพระพุทธเจ้าไม่ได้ห่างไกลจากพวกเราที่พระพุทธเจ้ามันหยัดไว้ในสมัยนั้นเมื่อสอันหา้ยห้สปีให้หลัง ถ้านำมาพิจารณากันกลองไตรตรองร้อยเหตุและผลแล้วศินห้าของพระพุทธเจ้าอยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายไม่ได้ไกลาจากพวกเราเพราะนั้นพวกเราได้รับรู้รับทราบศินห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเอาต่อนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศิน่งนะโมตัตตสสะปะโคะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สีเลนาในผูติงยันติตัดสมาสีลังวิโสธาเยตั้งใจฟังวันนี้หลวงพ่อเองก็ได้ปรพกับท่านรัตนาที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อที่มาอยู่กับหลวงพ่อเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วก็ โยมเอ้ท่านหลวงพ่อท่านก็ได้จากไปอย่างพวกเราท่านทั้งหลา ย, ยที่มาในงานในวันนี้หลวงพ่อก็บอกว่าเออลัตนะเ อ, เอาองค์อื่นเป็นองค์แสดงธรรมดีไหมเพราะว่าหลวงพ่อก็คือเป็นเจ้าภาพเป็นต้นหลักหลวงพ่อไม่ได้ทําอย่างอื่นท่านรัตนะกับข้า ญ, ญาติก็บอกว่าถึงยังไงไม่ให้หลวงพ่อเทศเป็นจิตญาณลักษณะก็ให้ปารับเป็นเพราะหลวงพ่อรู้เรื่อง ทุกอย่างยังไงก็ขอใหมวลหลวงพ่อเป็นผู้กล่าวสังเวชเนิยการฐานในวันนี้หลวงพ่อเออเอาท่าเป็นลักษณะอย่างนั้นทําความเข้าใจกันก่อนหลวงพ่อเออไม่ปฏิเสธเพราะหลวงพ่อก็รู้เรื่องจริงๆกว่าองค์อื่นๆเพราะหลวงพ่อรับรู้รับทราบเรื่องราวการเป็นมาจนถึงวันที่หลวงพ่อของเรามรรลณาภาพ ที่จังหวัดขอนแก่นแต่ถึงอย่างไงท่านโคศกก็ได้พูดกล่าวกับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมหลายครั้งหลายหนว่าความเป็นมาของหลวงพ่อบุญสมเลื่อนพระจันทร์นามฉายาจรณธรรมโมหรือท่านพระครูสุธรรมบุกทายจานท์ก็หลายครั้งหลายหนแต่วันนี้ก็ พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าตลอดถึงพระสงฆ์เห็นพี่น้องประชาชนเข้ามาแล้วก็อุ่นบอุ่น ต, ตลอดถึงพระสงฆ์ครูบาอาจารย์มีท่านเจ้าคณะจังหวัดวัดโพธิสมพรของพวกเราจะาุนราฐของพวกเราก็ได้มาร่วมงานในวันนี้ที่เป็นประธานสงตลอดถึงพระสงฆ์ทั้งหลายมาจากจากตุรกิศ ถ้าจะวาดจากเหนือจดใต้ก็ไม่ น, น่าจะผิดเพราะครูบาอาจารย์พระสงฆ์มามากวันนี้หลวงพ่อเห็นแล้วก็อบอุ่นในฐานะที่หลวงพ่อเป็นผู้ดูแลเป็นผู้จัดการส่วนหนึ่งแะ้วก็ท่านรัตนกะพงษาคณาญาติเป็นผู้ร่วมรับแ ต, แต่ถึงอย่างไงพวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะ สงสัยเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมท่านอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีท่านจะม า, าประชุมเพลิงที่นี่ อ, อันนี้ก็โคศ ก, ก็ได้พูดหลายครั้งต่อหลายหนคือท่านารัตนาท่านได้มาอยู่ที่วัดรวมธรรมแห่งนี้เพื่อดึกดอกอใหม่สร้างใหม่แต่ถึงอย่างไรหลวงพ่อเองก็ขออาาภัยจากคณะสัตยทายญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าที่มาแล้วไม่ได้รับความสะดวก เพราะว่าเป็นวัดที่เริ่มใหม่เองเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นตรงช่วงเข้าพรรษามาเองก่อนเข้าพรรษาไม่กี่วันกุฏีก็เสร็จลงไปแล้วก็นิมนต์พระมาจำพรรษาวันนั้นเพียงสมสี่เดือนอที่พวกเราเห็นเนี่ยก็ได้ขนาดนี้แหละแต่ต่อไปก็คงจะค่อยตต่เต้าสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นเหมือนกับวัดอื่นๆ แต่ใหม่ๆก็อยากที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นก็ขออภัยในความไม่สะดวกสําหรับจัตไทยญาติโยมลูกหลานพระเนรที่มาในวันนี้แทนเจ้าวักอาวาสด้วยแต่แกนแทนญาติของผู้แทนแทนญาติของลุงตาด้วยลุงตาบุญสมด้วยอ่าเพราะว่าท่านไม่ได้พูดท่านเป็นเจ้าภาพท่านไม่ค่อยได้พูด แต่หลวงพ่อได้อยู่ใกล้หม่ก็ได้พูดในวันนี้แหละจึงหลวงพ่อจึงขออภัยแทนเจ้าภาพต้วแทนเจ้าของทุกคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้จัดงานในคราวนี้ครั้งนี้ด้วยต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นองค์แสดงธรรมนะโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 ขยัวยะธรรมมาสังคาราอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดธาติติวันนี้นับว่าเป็นวันสลดออพอเหี่ยวทางด้านจิตใจเพราะว่าหลวงพ่อของเราเที่อยู่กับลูกหลานวงศาคณาญาติก็เป็นที่อบอุ่น แต่ท่านมาจากไปแล้วก็ไม่มีวันกลับหายลับไปเลยในอัตภาพนี้เพราะนั้นลูกหลานญาติพี่น้องผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายพอได้มาจํานึกหรือว่ามาคิดถึงเรื่องนี้ที่ว่าจะจากไปแล้วไม่มีวันกลับพวกเราก็ได้มาส่งส ก, การหรือมาส่งมาไปชมเพลิง พอมาเห็นเรื่องราวหรือมาเห็นความจริงเข้ามาก็อดที่จะเกิดความสลดสังเวชใจไม่ได้แต่ถึงอย่างไรในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ตราสไว้มากต่อมากที่พระพุทธเจ้าที่ทรงออกไปทรงผนวดหรือทรงไปบวช จากเวียงวังที่ท่านพระพุทธเจา้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี้จะเวียงวังไปอยู่ในป่าใบปำเพญอยู่ในป่าถึงหกปีแต่เรานึกแต่เรามาพิจารณาดูแล้วพระพุทธเจ้าทําไหมไม่รู้จักความสุขเหลืที่อยู่ในเวียงวังทําไมจึงหนีไปอยู่ในป่าตามลําพังทําไมพระพุทธเจา้าจึงทำอย่างนั้นสินทธะทําไมทำอย่างนั้นถ้าเรามาพิจารณาดูแล้ว เรื่องราวที่สิทธัตถะที่หนีออกจากเวียงวัดก็ไม่ใช่ขึงไกลคือพระพุทธเจ้ากลัวตายพูดง่ายๆกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายจะทํำยังไงจึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเห็นความแก่ความเจ็บความตายแล้วรับไม่ได้เกิดความสลดหดหูและจะมีวิธีการแก้ไขไหมที่จะไม่ให้แก่เจ็บตายตามมา นี่และพระพระุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาอยู่ในป่าเป็นเวลาทั้งหกปีจึงรู้หนทางที่ได้ตัดสู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนที่ว่าปุเพนิวะสานุสติญาณจุตูปป า, ปาตญาอาสาวะขยะญาณในวันเดือนหกเพนนั้นจากนั้นพระองค์ก็ได้นำพระธรรมคำสอนที่ได้ตัดสู้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณนั้น มาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาแต่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วพวกเรามีหมู่มีกลุ่มมีคณะมากเรื่อยๆจะต้องมีการเป็นอยู่เชอนก่อนท่านก็จึงสอนเรื่องทานและก็เรื่องศีลทานคือการมีการมีน้ำใจมีการเสียสละต่อกันและก็ศีลคือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกัน แต่จะสอนแต่เรื่องสมาธิอย่างเดียวภาวนาอย่างเดียวพอออกจากสมาธิแล้วก็ไม่มีสิ่งไม่มีการเสียสละแล้วพวกเราก็คงจะอยู่ด้วยกันเป็นหมูดเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ได้แต่กระจุยกระจายกันเพราะอะไรเพราะไม่มีกฎระเบียบเป็นเครื่องคุ้มคลองเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงถึงจะได้ตัดสรู้พระอนุตรส ม, มาสมโพ ธ, ธิญาติคือหลักใหญ่ คือทางด้านจิตใจแต่ว่าเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์ก็ได้นำพระธรรมคำสอนออกมาประกาศจากนั้นก็ได้ตั้งกฎกติกาถ้าหากว่าท่านผู้ใดเมื่อฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์อย่างโกนฐัญยะวะปะัทิยะมหานามะอัจฉ ช, ชิทั้งหองค์นี้ไม่มีปัญหา ไม่ก่อปัญหาแน่ๆเพราะเป็นท่านเป็นพระอระหันต์หมดจดจากกิเลสอันไหนดีอันไหนชั่วอันไหนควรไม่ควรอย่างไรท่านเหล่านี้ท่านรู้ทั้งหมดท่านรอบรู้ทั้งหมดแต่นอกจากท่านเหล่านี้ไปแล้วเมื่อพระธองค์แสดงธรรมเกิดความเคารพนับถือเรื่อมใส่แต่การรับกนบทเคารพนับถือเรื่อมใส่นั้นมันลุ่มรุ่ ม, ม ด, อดอนดอนมันไม่เสมอ แต่ที่ช่วงที่เลื่อมใสก็เลื่อมใสจริงเชื่อจริงแต่บางครั้งก็กลับไม่เชื่ออย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันบางทีก็เกิดศรัทธาอย่างลึกซึ้งจากจะทำความดีอยู่ตลอดแต่บางครั้งก็ทะเลทไลายไปทําความชั่วช้าเสียหายมามากต่อมากคิดชั่วถึงจะไม่ทําชั่วก็คิดชั่วออกไปของมากมายมาหาศาลเหมือนกันเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านั้นแหละที่ทาให พทบริษัทที่อยู่ด้วยกันจึงไม่เป็นพิกแผ่นหรือว่าอยู่ไม่อยู่ในกฎระเบียบเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติเรื่องทานคือการอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละให้อภัยทานอามิยสทานวิทยาทานธรรมทานซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือเรื่องการอยู่การเป็นอยู่ด้วยกัน อย่างนักเลื่องกฎระเบียบอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเรื่องสินห้าสำหรับคณะสัตยาญาติโยมการเป็นอยู่สำหรับอุบาสกอุบาสิกาโยมผู้หญิงโยมผู้ชายผู้ครองเรือนควรปฏิบัติตนอย่างไรเอาเพียงสินห้าก็น่าจะเพียงพอแต่สำหรับสมัมมเนนศินสิบสำหรับพระที่อยู่เข้ามาอยู่ข้างในมีภาระธุรกิจมมีภาระธุระออกตัดออกไปแล้วพระเหล่านี้ ท่านให้รักษาสินงร้อี่สิบคือให้รักษาสินให้มีกฎระเบียบในสินจากนั้นก็เรื่องธรรมคเครื่องพระธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าเน้นหนักคือพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านเน้นหนักจุดนั้นจุดที่ท่านได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ทําอย่างไรอันนี้พระองค์ ก็ได้บบอกแนวทางวิธีการนะกับพวกพุทธบริษัทสี่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อนํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายว่าใจาใจของพวกเราพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันนั้นพระองค์ได้นั่งกัดสมาธิที่โคลนต้นโพกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าจะหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจา้าพวกเราให้ฟังเอาไว้อย่าไปเถียงกันกรรมฐานองค์หนึ่งพูดอย่างหนึ่งกรรมฐานองค์หนึ่งพูดอย่างหนึ่งเ้าต้องฟังกรรมฐานของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ถึงจะใครจะทํำยังไงก็ตามหลักนี้คือเป็นหลักยึดเป็นหลักแนวปฏิบัติปฏิบัตปทาหรือจะทํำยังไงก็เออทาไป เพราะว่ากรรมฐานพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตายตัวว่าต้องทำอย่างนี้แต่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำอย่างนี้แต่บางองค์ท่านไปนั่งอยู่ในที่แจ้งอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นพอนั่งไปเห็นพยับแดดเป็นขยับเยับยบท่านก็เห็นอันนี้จางขยับแดดไม่เที่ยงเหมือนกับใจของเราเหมือนกับร่างกายของเราเกิดแก่แล้วก็เจ็บตายเหมือนกับ พยับแด weiß, แดเห็นเท่านั้น <tune> ก็เห็นท่านก็เห็นเห็นอันนี้องทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายเป็นพระรหันต์มากต่อมากบางโทบางท่านก็เห็นท่านเห็นพยับเห็นน้ํำที่มันไหลไหลล่องลงไปเป็นคลื่นแล้วก็แตกเป็นฟองอันนั้นท่านก็เห็นอันนี้องเหมือนกันอันนีจันทุกขังอนัตตาท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายมาถึงใจของท่านเป็นพระรหันต์มากต่อมาก อันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของ พ, พระพุทธเจ้ามีมากหลากหลายที่จะทําให้จิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านเมื่อได้ศึกษาให้กว้างขวางแล้วหลักธรรมคาสอนของพระเจ้าเน้นหนักเรื่องอะไร อ, อในเมื่อเน้นหนักเรื่องอะไรที่ได้ที่ท่านได้ตัดรู้ในเมื่อท่านนั่ง ท, ท่านนั่งสมาธิเมื่อปฐมพยามคือตอนหัวคําพระองค์ได้ตัดรู้ ปุกเพรนิวาสานุจติยานระลึกชาติผลหลังได้อันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านต้องมองตนเองก่อนว่าข้านี่มาจากไหนสิตตะถานี่มาจากไหนมานั่งอยู่ที่นี่อันนี้คือมองพระองค์พอถึงเที่ยงคืนท่านมองคนอื่นมองอย่างพระพุทธองค์มอง พ, พุทธบริษัทสี่พวกเหล่านี้มาจากไหนมาเกิดที่นี่ทำไมไม่เหมือนกันแต่ละคนทาไมไม่เหมือนกันพระองค์ก็มองดูแล้วเอกเป็นเพราะกรรม กรรมคือการกระทำของแต่ละคนไม่เหมือนกันใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วแต่ละคนในทำกรรมไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันทำไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันในเมื่อคิดทำพูดไม่เหมือนกันการแสดงออกมาทางกายเกิดการเกิดมาในภพหนาชัดหนาการเกิดมาแล้วก็ไม่เหมือนกันความทุกข์ยากลาบากไม่เหมือนกันความร่ารวยไม่เหมือนกัน สติปัญญาไม่เหมือนกันมันแปลแตกต่างกันเพราะกรรมจำแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย เ, าเป็นต่างๆนาน า, นาท่านเ ย, ย ว, ว่ากรรมมุนินาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่โดนตนได้กระทำไว้เพราะนั้นท่านเมื่อได้ตรัสรู้แล้วท่านไท้ให้โอวาท่าปฏิโมวกว่าอากตังลุกตังเสยโยปัชชาตปิลุกตังกรรมชั่ว คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วกรรมชั่วให้ผลพวกเราจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้แหละคือท่านมองเห็นสรรพสัตวกรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนี่แหละคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพลในวันนั้นจากนั้นมา ดวงสว่างพระพุทธองค์ก็ได้วาดใจดวงนี้มาจากไหนใจตัวุพวกปกนเวียนเวียนไหวตายเกิดรับบาปรับกรรมรับกรรมดีรับกรรมชั่วไปสู่สวัสด์ไปตกนรกไปเป็นสัตว์ที่ไรฉันมามากต่อมากและเป็นมาอย่างไงมันต้นต้นของมันที่มันมาที่แรกมันมาอย่างไงพระพุทธองค์ก็ได้ย้อนไปดูไปดูจนถึงต้นตอของวิญญาณที่เกิดมาจากไหน ท่านก็บอกว่าอาวิชชาปัจจะยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจยาวิญญาณังอันนี้คือปฏิจจสมุปาติาวิญญาณตอนนี้มันมันเกิดมาจากความโง่ความอาวิชชาอาวิชชาเนี่ยเป็นปัจใจัยให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณจนถึงภพชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกขะโทมณ ส, สุจากนั้นพระองค์บอกจะทําวิธีการอย่างไรถึงจะชําระจึงจะจัดการ ในเรื่องที่มันไม่ให้มันเวียนว่ายตายเกิดจะตัดกลงล้อกรรมเกวียนได้อย่างไรอันนี้พระองค์ก็ได้พิจารณาหาวิธีการท่านจึงได้มีช่องทางคือว่ามรแดคือหนทางที่จะทำกำจัดกิเลสภายในพระไทยของพระองค์คือมรแปคือว่าสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องตน้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรจนถึงสา ม, มาสา ม, มาธิในที่สุดอันนี้เรียกว่ามรแปที่จะทา จมันกันกันกรองไตรตรองในพระไทยของพระ อ, องค์ชําระพระพระไทยของพระ อ, องค์ชําระใจของพระ อ, องค์เมื่อพระ อ, องค์ได้ใช้ศีล ส, สมาธิปัญญามรัก8แล้วพระ อ, องค์ชําระพระไทยของ อ, องค์จนบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะหลุดออกจากพระไทยของพระ อ, องค์ใจของ อ, องค์เป็นใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ในวันเดือน6เพนจวนจะสว่างพระองค์ได้ตรัสออกมาว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่เกิดอีกแล้วนี่แหละคือรักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณตัดทำสามอย่างปุเพนิวาสานุษติญาณล้ำลึกชาติผลหลังได้จุตูปปาตยานมองดูสรรพสัตว์ทั้งหลาย เกิดแก่เจ็บตายเป็นมาด้วยกรรมอันใดาอาสาวกขยะยาณดูพระ อ, องค์อีกว่าวิญญาณตรงนี้เกิดมาจากไหนพระ อ, องค์ก็ได้ชำระพระไทยของพระ อ, องค์ที่จะไม่ที่ที่มันพาววกวนเวียนเวียนไหวตายเกิดเพราะกิเลสเป็นผู้พานําพระ อ, องค์ก็กาจัดตัวกิเลสเชื้อที่จะทำให้ไปเกิดนั้นออกหมดจนพระไทยของพระ อ, องค์เป็นพระไทยที่บริสุทธิ์ ไม่มีเชื้อพระองค์จึงได้ประกาศออกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราไม่เกิดอีกแล้วนะอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราจากองค์หลวงตามหาบัวที่ท่านพึ่งจุดตินิลพราผ่านไปยังใหม่ๆหมหมัดๆ ม, มท่านก็ประกาศคำนี้ออกอีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าประกาศได้เราก็ประกาศได้เรารู้เห็นอย่างไรเราประกาศอย่างนั้นอันนี้ก็คือทำคาสอนของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอย่างหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพุทธบริษัทที่เป็นสิทธิานุสิตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอให้ดําเนินเดินตามแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดําเนินอย่างไรอันนี้กนะ่อนที่พวกเราจะเดินไปสู่จุดมหมายปลายทางได้เราต้องมีแนวทาง มันต้องรู้จักขนทางเราจ้องยึดแนวปฏิปทาของท่านเพราะนั้นขอฝากไว้กับพระสงฆ์น้องนุ่งทั้งหลายคณะสัทายาญาติโยมทั้งหลายทุกหมู่เหล่าสาหรับคณะสัตยาญาติโยมก็ให้มีทานให้มีศีลและให้มีภาวนาสําหรับพระสงฆ์ทั้งหลายน้องนุ่งทั้งหลายก็ให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินยัยอยู่ในศีลและวินยัยเป็นศากยบุตรเป็นพุทธชินโนรส เป็นบูรของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงอันไหนคือหลักธรรมวินยัยอันไหนคือกฎระเบียบให้รักษาอยู่ในหลักหลักพระธรรมวินยัยเพราะว่าหลักพระธรรมวินยัย น, นั่นแหะคือศีลเมื่อเรามีศีลดีสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเราศีลของเราไม่ดีสมาธิเกิดได้ยากเพื่ะไรเพราะว่าใจของเราวิตกกังวลไปในทางที่ไม่ถูกต้องไปในทางที่ไม่ดีในเมื่อใจของเรา พิถกกังวลไปในทางที่ไม่ถูกต้องไม่ดีแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นมาได้ได้ยากก็ว่าไม่ได้ไม่ได้เช่เลยแหละเพราะเหตุอะไรเพราะว่าใจของเราวิตกกังวลไปในทางนอกพลังขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านให้หนักแน่นหลวงพ่อเองเป็นห่วงเหมือนกันนะถึงสงพ่อจะเป็นตัวเล็กๆก็เหมือนกันตัวเล็กๆก็เป็นห่วง เรื่องพระพุทธศาสนาเรื่องปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านพาดำเนินมาอยากจะให้พวกเราเยึดตามแนวแถวที่ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรท่านบอกกล่าวอย่างไรเพราธรรมเทศนาของท่านพวกเราเปิดฟังตอนกลางคืนพวกญาติโยงฟังนะร้อยาเมกะเฮิรตกลางคืนพอฟังเท็จแล้ว เวลาพระบ้านตาท่านละไหว้พระแล้วก็ทาวัดร่วมกับท่านไปได้เปิดวิทยุ ข, ขึ้นมาแล้วก็นั่งปนมมอือแล้วก็ไหว้พระไปกับทางพ ร, พระวัดป่าบ้านตาแต่ถ้าว่าเรายังท่องไปได้เราก็เอาหนังสือมาท่องตามก่อนต่อไปเราก็ท่องได้เราควรจะทําวัดเย็นถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรในคืนแต่ละคืนจากนั้นเราก็ เ, เมื่อเสร็จแล้วก็ฟังเทศล่งตานั่งสมาธเิเสร็จแล้วก็นั่งฟังสมาธิคือนั่งสมาธิฟังเทศล่งตาสักกันนึ่งแต่ละวันหลวงพ่อว่าจะเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยจะเป็นเครื่องขัดเกลากิเลส ข, ของพวกเราภายในใจพวกเราจะเป็นคนดีขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อื่อยออส่งไหนที่มันไม่ดีพวกเราจะกระจัดออกเพราะเราได้ยินพระธรรมคําสอน พวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังอย่างนัานๆจะมาฟังเทศอย่างเนี้ยมันไม่ทันกันหรอกพกี่เลเยของพวกเราแต่ละวีแต่ละวันเออมันผลิต ด, ดอกออกผลขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉนั้นขอให้พวกเราฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะทำทุกวันนี้ฟังได้ง่ายเออเพราะเหตุไรพ่อเราเปิดวิทยุขึ้นมาก็ฟังได้แล้ว เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุคนนะที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังนี้ขอให้พวกเราทุกทุกท่านตั้งอกตั้งใจ ป, ปัดปฤฏิบัติคนเราจะฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าผู้ฟังทำย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังก็จะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสเพราะได้ฟังหลักเหตุผลของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นกสุดตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังคนเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังซะกอ่อนเรีวยว่าจินตามะภาวนามจุดตามยะปัญญาจินตามยะปัญญา เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วกันกรองไตรตรองจินตนาการสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานั้นด้วยเหตุและผลมีเหตุผลอย่างไรอันนี้ว่าจินตามะยะปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบเป็นหนึ่งแล้วพวกเราก็จะรู้ได้ด้วยเหตุผลเรื่องราวต่างๆเรื่องอะไรอันนี้ก็ข อ, อเมื่อเรา พิจารณาเรื่องว่าเราได้ภาวนาถึงภาวนาวิยปัญญาคือปัญญาของพระพุทธศาสนาที่บ่าภาวนาวยปัญญาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากพระธรรมคำสอนแล้วก็หลวงพ่อเองอยากจะย้ําเรื่องทานเรื่องศีลพวกเราก็ได้ทํากันมาแต่เรื่องภาวนาเนี่ยที่หัวใจของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าแต่ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันนั้นน่ะ ท่านตัดสรู้อะไรนี่แหละอยากจะเน้นหนักจุดนี้คือแก่นแก่นของพระพุทธศาสนาแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้แก่นแล้วท่านก็นมาอธิบายเรื่องวิธีการปลูกปลูกต้นไม้ปลูกยังไง เ, เมื่อปลูกขึ้นมาแล้วก็เพื่อหวังอะไรเพื่อหวังแก่นอีกอย่างเก่าแต่หลวงพ่ออยากจะพูดเรื่องแก่นของพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ในวันนั้นน่ะท่านได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่ที่นี่มาพูดถึงหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น หลวงปู่สาหลวงปู่มันท่านสอนว่าถ้าเราปฏิบัติตามแนวแถวหลวงพระพุทธเจ้าที่ว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกนั้นมันเสือได้ง่ายมันหลุดได้ง่ายมันหลงลืมได้ง่ายควรจะสำทัพพุทธโถเข้าไปด้วยนะเพราะเราเป็นสาวะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พุทธะสาวกะเพราะนั้นเราควรจะกาหนดลมหายใจบริกรรมพุทธ หายใจออกบริกรรมโถให้ยึดเอาพุทโถเข้าไปยึดด้วยในอนุสติก็มีอยู่นะอนุสติ10บนะพระธาอนุสติธรรมาสังขารจนถึงอาณาปานาสติก็มีอยู่ในอยู่ในเออนุสติ10นั้นแต่หลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นท่านให้เอา2 อ, อย่างในอนุสติคืออาณาปานาสติกับพุทธโถมาบริกรรมให้เป็นกรรมฐานหนึ่งเดียวหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถ นี่แหละเมื่อเรากําหนดดูหายใจเข้าออกพุดโธแล้วใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วละ่ะนั่นแหละเราจะรู้ได้ว่าใจสงบนัตถิสันติป ร, รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วนั้นเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องราวเรื่องจริงอย่างไรเราจะได้สัมผัสและก็พร้อมกันเราก็รู้ได้อีกว่า ที่พวกเราสงสัยว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วสูญอันไหนสูญอันไหนเกิดพวกเราก็จะรู้ได้เมื่อจิตของเราเป็นสมาธิเมื่อจิตของเราจิตใจของเรารวมลงเป็นสมาธิเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายนะคือร่างกายนะเหมือนกับเหมือนกับรถเพราะทุกวันนี้หลวงพ่อพวกเรามาที่นี่ด้วยกันมีแต่นั่งรถมาเพราะนั้นพวกเราหลวงพ่อเองเลยจะเปรียบเทียบกับอย่างอื่นมันไม่มันไม่เข้ากับ สถานการณ์เหตุการณ์หลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับโซเฟอร์ของรถโซเฟอร์รถผู้ขับรถรถกับคนขับรถรถจะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนขับรถสําคัญกว่ากว่ารถท่านจึงให้คําจํากัดคําในพระบาลีว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจเพราะฉะนั้นเรื่องร่างกายของเราเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบก็บเหมือนรถแต่จิตใจเหมือนกับโซเฟอร์รถท่านให้ความสําคัญคันโซเฟอร์รถคันนี้โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วโดวยโซเฟอร์ถ้าโซเฟอร์นิสัยดีมีมาร ย, ยาทขับไปในถนน เห็นสัตว์สาลาสิงเห็นคู่คนเออก็พยายามเบรกเออมีด้วยมารยาทของโซเฟอร์แต่ถ้าว่าโซเฟอร์นิสัยไม่ดีนิสัยเกเรเออนิสัยไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมกระเย็ยบด่าไปหมดชนด่าไปหมดเพอ้อเพ้ยังขับเออลงข้างถนนอีกต่างหากเพราะโซเฟอร์เมาอะเอเอแล้วก็บีบแกล่าคนอีกต่างหากเห็นคนแล้วก็บีบแกล่าด่าไปหมด ไอ้แกนะคือปากของพวกเราเไม่ส้ำรวมปากไม่ส้ำรวมรถ อ, อ, อีกต่างหะเพราะฉนั้นโซเฟอร์ทิศสายท่านจึงให้อบรมโซเฟอร์ให้มีศีลธรรมจริยธรรมได้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้อบรมโซเฟอร์นะ่ะโซเฟอร์ที่เป็นใหญ่เพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านในเมื่อทําภาวนาทำจิตใจให้สงบถึงท่านรู้จักแยกแยะว่าอันนี้รถอันนี้โซเฟอร์รถนะ่ะ ถ้าแยกแยะได้ขนาดท่านแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสุขอันไหนศูนย์อันไหนเกิดร่างกายของเราเนี่ยตายแน่ศูนย์แน่อย่างลวงพ่อบุญสมของพวกเราอันนี้ร่างกายของท่านเราจะได้เผาไปชุมเพลิงกันในวันนี้แหละแต่นามธรรมเกิดจิตใจขององค์ท่านออกจากร่างไปแล้วถ้าหากว่าท่านภาวนาเป็นพระอริยเป็นพระอรหรันท่า้นก็เข้าสู่นิพพาน ถ้าท่านไม่ถึงขนาดนั้นท่านก็เป็นพระสักนาคามีพระโสดาบันถ้าว่าท่านยังไม่ถึงขั้นนั้นท่านยังเป็นปุ่ดุชนอยู่ท่านก็จะต้องไปสู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งจากนั้าท่านเข้ามาสร้างบารมีอีกนี่แหละอันนี้ก็คือโซเฟอร์ออยังไม่ได้เป็นเศรษฐีพูดง่ายๆถ้าโซเฟอร์เป็นเศรษฐีมีเงินมากก็ไปสู่ตามที่ตั ว, ตวเองต้องการคือพระนิพาน นี่แหละขอฝากไว้กับคณะทธาญาติโยมลูกหลานทุกๆ ท, ท่านที่มาร่วมงานไปชุมเพลิงในวันนี้เบื้องต้นหลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษีว่าอเนจาวัตสังขาราอุปาดาวะธรร ม, มินโออุปชิ ต, ตวานิรุชันติอเนจานว่าของทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายไม่มีอันไหนที่เที่ยงแท้แน่นอน หลวงพ่อบอกว่าในใด ใ, ใ, ในโลกรู้ว่านินจยัง เ, เป็นของไม่เที่ยงแต่มีนิดจยังอย่างเดียวคือความตายความตายในะเกิดมาเท่าไหรตายเท่านั้นไม่มีใครที่จะหลีกหลีนีพ้นไปได้ความตายนี่แหละเป็นนิจยังเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนพอตายพ่อเกิดขึ้นมาแล้วบอกได้เลยว่าคุณจะต้องตายนะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่วันใดก็ต้องวันน่งตายแนอ่อันนี้คือเป็นนิจยังพูดพูดได้เลยอันนี้ก็คือ ในโลกนี้เป็นล้วนแล้วเป็นอนิจจังเรียว่าอนิจจาวัฏสงคาราอุปาดาวะยะธรร ม, มโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังบูปัสโมสุขโคร่างกายสังขารเป็นอนิจจังเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับศูนย์ในที่สุดและ ก, การที่เตสังบูปัสโมสุขโขนคือการพระพุทธเจ้าพระหันตสาวกท่านดับสังขารแล้วท่านเหลือออกไปจากโลก เป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธรรมนั่นแหละเป็นความสุขอย่างยิ่งคือ ท, ท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วดังนั้นหลวงพ่อยังแถมท้ายอีกว่าขายะวยะธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดทาติสังขารทั้งหลายที่หลวงพ่อได้กล่าวเป็นของไม่เที่ยงเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกใครทํากรรมอันไหนไว้ในรับผลของกรรมนั้นกรรมชั่วอย่าทําซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นพวกเรายังประโยชน์ตนก็ให้ถึงพร้อมและก็พร้อมพร้อมกันก็ให้ดูชุมชนสังคมะจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอันนี้คือเป็นพระวาจาของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสวันที่พระพุทธองค์จากปรินิพานจากนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสคําใดอีกเลยเป็นวาจาที่พระพุทธเจ้าสั่งเสียพวกเราเพราะนั้นพวกเราควรจะนําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวต่อๆกันไปให้เกิดประโยชน์แล้วก็ พวกเราเมื่อปฏิบัติตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะจะมีแต่ความสุขความเจเริญมีแต่ความสุขความเย็นใจเพราะดานวันนี้ได้กล่าวสังเวทนิยกถาก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระศีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยบุญบารมีของออหลวงพ่อบุญสมเรื่องพระจันทร์ หรือนาม้ายาว่ายรณธรรมโมด้วยบุญกุศลที่ท่านได้บําเพ็ญมาเป็นเวลาถึง41ปีอายุของท่านก็86ปีที่ท่านได้มรณะภาพลงพวกเราจะได้ไปชุมเพลิงในเย็นของวันที่บ่ายสี่โมงเย็นในวันนี้ด้วยบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านได้ทํามาแล้วขอขอให้เป็นบุญคุ้มคลอง พาทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพอนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุภาพบุญกุศลของหลวงพ่อของเราขอให้คุ้มครองพวกเราจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านทุกๆุกคนด้วยเถิน